เรจะมีเวลาที่จะพูดเรื่องการแผ่เมตตากันอีกสามครั้งคือสามจัน NG, <sorting well. S 1> กันนี้แล้วก็จันรก่อนขึ้นเยืนนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยภาคปริยัติ้าปริยัติก็หมายความว่าเราได้คัดหลักฐานจากพระไตรปิฎกมาครับมาเป็นข้อยืนยันทั้งในส่วนหลักใหญ่และส่วนหลักย่อยเพื่อเป็นสึ่งประกอบในการ ปฏิบัติเกี่ยวไรื่องการแสวงในตาให้ชัดเจนขึ้นสำหรับหลักฐานในพระไตปิกแล้วก็ที่จริงก็มีนอกพระไปิดกด้วยเกี่ยวกปเรื่องในตาเนี่ยจะมีแหลงใหญ่อยู่สามส่วนหรือสามแหลงส่นที่เรารู้จักกันดีก็คือในเมตตากรรมฐาน ส, สิ่งรากอดีตทำผีวิสุตติมักทำีวิสุตติมักซึ่งโรจนานเดชพุทโกษาจย์ เป็นคำภีที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอีกแหนหนึ่งก็คือที่แกกให้ท่านถืออยู่ในมนือนี้เป็นเรื่องของเมตตาคาถาซึ่งรดจะมาโดยพระสารีบุตรพสารีบุตรนั้นคือพระสารีบุตรที่เป็นอัคราสาวกเมืองขวาของพระพุทธเจ้าได้ประมวลเกี่ยวเรื่องการแผ่เมตตาในส่วนหลักๆไว้ตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าแล้วำคำพี์ที่ ปรากฏนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบเอ็ดเรียกว่าคำพีปฏิสัมพิทามัตต์ปฏิสัมพิทานั้นแปลว่าความแตกหานเฉพาะเฉพาะก็คือเฉพาะเรื่องทุดทุดก็เป็นที่ท่านประมวลมาเป็นเรื่องๆไปใครได้ศึกษาคำพีนี้แล้วก็จะเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะเรื่องนั้นๆกอย่างแตกหานมัตแปลว่าทางทางก็หมายถึงวิธีหรือหนทางที่บุคคลได้อ่าน คือเดินทางนี้ได้การอ่านศึกษาแล้วก็จะแตกจานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมีสารภัดเรื่องนะครับซึ่งผมก็ได้เก็บความในลักษณะตัดตอนตอนัด ต, ต่อมาเหลือประมาณสี่หน้ากระดาษครึ่ง น, นี่นครับเรียกว่าเมตตาคาถาอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องการแส่เมตตาที่ผมกรองอยู่นั้นจเป็นเพียงบางส่วนเล็กน้อยนะครับ เป็นเกิดในแง่ต่างๆในรายละเอียดต่างๆนี่มากมายด้วยกันก็จะค่อยๆลำดับเอามาพูดกันเท่าที่จะสามารถพูดได้ในสามครั้งนี้ขอให้ท่านในเอกสารเรื่องเมตตาคาถาโดยที่ผมก็จะรีบบุญนั้นได้แสดงในส่วนเบื้องต้นของเมตตาธรรมการแผ่เมตตายกอานิสงค์คือผลของการ่า่เมตตามาสแสดงเป็นเรื่องต้นก่อน อันนได้นำมาพุทธพจน์มายืนยันว่าพระบุติเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สู่หลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุขอั น, นบุคคลเสรแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดังหยาดทําทให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เหนืองเหนื่งอบรมและปลาโลบดีแล้วอั น, นสงสีสิเอดประการนี้เป็นอันหวังได้อันสงสีสิเ็ดประการเป็นจะไหนคือ ผู้เจริญเมตาย่อมหลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่หวั่นรามุกหนึ่งย่อมเป็นที่รักของมนุษหนึ่งย่อมเป็นที่รักของอามนุษหนึ่งเทวดาย่อมรักษาหนึ่งไฟยาพิษหรือศาสตราย่อมไม่กล้ามกลายหนึ่งจิตของผู้เจริญเมตตาเป็นสมาธิได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าของผู้เจริญเมตาย่อมผ่องใสหนึ่งย่อมไม่หลงไหลกระทํากาละหนึ่งเมื่อยังไม่แทงตลอดทำอันยิ่ง ย่อมเข้าถึงเพืาอมโลกหนึ่งดยก่อนที่คือหลายเมื่อเมตตาเจโตมุตอันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําทให้เป็นดังยานทําให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้นเมืองอบรมแล้วปราลบีแล้วอันนี้สงเีสิบประการนี้เป็นอันหวังได้อันนี้เป็นคำรับรองแบบเต็มร้อยนะครับอันนี้สงสีสิบนะเราได้พูดกันมาแล้วล่ะจะไม่เจลนายแจกแจงซ้ําอีก เป็นคํารับรองของพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่เจริญเมตตาอย่างถึงขั้นสมบูรณ์เนี่ยจะได้รับผลสมบูรณ์แน่นอนและผู้ที่เจริญเมตตาที่ไม่ถึงขั้นสมบูรณ์คือทําได้แค่ไหนก็ได้รับผลไปตามส่วนไอ้ตรงนั้นก็แน่นอนเหมือนกันนะครับคือได้รับผลตามส่วนแน่นอนแต่ในนี้นะท่านเอาผลสมบูรณ์มากล่าวที่ท่านตรัสว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยเมตตาเจโตวิมุตต์โดยความหมายรวมก็คือ คนที่แผ่เมตตาอย่างมีสมาธิจิตถึงขั้นอัปนาแล้ว่าแนบน่นหรือได้ฌานด้วยการแผ่เมตตาผลสิบเอประการนี้ได้แน่นอนไม่มีเว้นเลยเมตตาเจโตวิมุตคืออะไรเนี่ยบางเรื่องในนี้ท่านมีบอกไว้ผมจะให้ท่านข้ามไปดูข้ามไปดูในหน้าสุดท้ายครับไปดูหน้าสุดท้ายเลยน ะ, ะให้ดูตรงอา่า บรรทัดที่ที่มีคําว่าเป็นสุกอยู่ตรงตรงกลางส่วนล่างของหน้าสุดท้ายนะครับหลังคําว่าเป็นสุกเนี่ยและท่านจะบอกว่าอามองเลยต่อไปหลังเลขกหนึ่งนะจิตชื่อว่าเมตตาเพราะรักรักใครกรักวินิพันธิการสัตคือเราสัดที่เราเลือกจะแผ่ไปนี่นะชื่อว่าเจโตเอาความว่าชื่อว่าเมตตาเนี่ยเรรัก เป็นรักอย่างเมตตาที่ว่าเจโตเพราะคิดถึงคมนั้นที่เรียกว่าคิดถึงํานั้นหมายถึงว่าเมื่อเราจะแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องค้นเมตตาจิตของเราให้เจอก่อนตร้งเมตตาจิตให้เจอก่อนแล้วก็ส่งความคิดอันดีนั้นไปให้แก่ผู้ที่เราต้องการจะแผ่จะแผ่จอะจงเป็นบุคคล น, นั้นหรือจะแผ่โดยรวมก็แล้วแต่เถิ ถ้าเรายังคนเมตตาไม่เจอหรือพูดเป็นอย่างง่ายอู่คื อ, คอตั้งเมตตายังไม่ได้เนี่ยหรือยังไม่รู้เมตตาคืออะไรเนี่ยแผลแผ่ไปก็ไม่ไม่ใช่เมตตาเรียกว่าแผลแต่ปากถ้าเราค้นพบว่าเมตตาจิตของเรามีกําลังมากแล้วเราส่งไปให้ก็จะมีกําลังมากมีอนุภาพมากมีผลมากแทนใช้คำว่าคิดถึงทํานั้นหมายถึงทาที่เราจะให้ ก็คือมีธรรมที่จะให้มีคนที่จะรักอยู่ด้วยกันจิตชื่อว่าเมตตาอาจจะ ว, วิมุตติเมื่มาพูดถึงวิมุตติชื่อว่าวิมุตติเพราะพ้นจากพยาบาทและปริยุท ธ, ธานกิเลส ท, ทั้งปวงวิมุตติเนี่ยตามตับแปลว่าหลุดพ้นแปลว่าพ้ น, พนถ้าถามว่าพ้นอะไรท่านแสดงกิเลส ท, ที่เมตตาทำลายหรือครอบงำหรือพ้นการถูกย่ำยีจากกิเลสมีอยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งคือวิเลยที่เป็นปฏิัติโดยตรงของเมตตาได้แก่พยาบาทพยาบาทนั้นจึงละได้ด้วยเมตตาเวลาเราแผ่เมตตาแล้วในจิตใจเราจะพ้นจากความเกียดแค้นพยาบาทนะฮะแต่จะเป็นว่าเราจะเอาชนะใจคนที่เขาเป็นศัตรูของเราเนี่ยเราจะต้องทำใจให้พ้นความชิงชังให้ได้ในขณะนั้น จึงจะแผ่เมตตาออกและแผ่เมตตาออกไปแล้วก็มันก็พ้นจากควาเมเยาบาปได้ผลก็เกิดขึ้นเป็นของนับเนถึงดังอย่างนีน้อย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือกิเลสเหล่าอื่นความเศร้ามองของกิเลสเหล่าอื่นนั้นเมตตาก็ทําให้กิเลสเหล่านั้นสงบระงับด้วยอกิเลสเหล่าอื่นมีอะไรบ้างนะมากมายประเดี๋ยวเราก็จะเห็นในบทบรรยายของพระสัทบุตรในส่วนเบื้องต้น ท, นที่เรายัางไม่ได้พูดถึงนะ ก็จะพ้นไปด้วยก็เป็นอันว่าคนแผ่เมตตาเนี่ยผลอย่างสั้นที่สุดจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือใจของเราสงบระงับจากกิเลส ท, ที่เป็นปฏิปักษ์หลักและกิเลสเหล่าหืน่นที่ผสมผสมเข้ามานี่เป็นข้อที่หนึ่งที่สำคัญมากเมตตาแรงเราก็พ้นจากกิเลสไกลกิเลสไกลเท่าไหร่เราก็มีเมตตามีกำลังมากขึ้น และเมื่อเมตตามีกำลังมากขึ้นผลที่จะพึงหวังได้จากเมตตาก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่จะเป็นของนับเนึ่งถึงกันอย่างนี้จิต ท, ที่มีเมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุตต์ด้วยเพราะฉะนั้นจริงที่ว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ข้อนี้ก็ขอให้นึกว่าเมตตาเจโตวิมุตตนะ์เป็นชื่อของฌานที่สำเร็จในเมตตา เป็นขั้นสูงสุดนะครับซึ่งอย่างเราเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำให้ถึงขั้นนั้นได้ถึงเรายังทำถึงขั้นนั้นไม่ได้เราก็พึ่งพาเมตตาได้ในระดับหนึ่งเราย้อนกลับมาดูหน้าต้นต่อไปนะครัผมพูดถึงคาว่าเมตตาเจตวิมุตติจบแล้วนะครับทีนี้จะเห็นว่าท่านใช้คาว่าอันบุคคลเสพแล้ว จะเดินแล้วคําว่าเสพเนี่ยก็หมายถึงการปฏิบัตินั่นเองผู้เสพทำก็คือผู้ปฏิบัติทำผู้เสพเหล้า ก, ก็คือผู้กินเหล้าปฏิบัติความผิดศีลข้อหา 5. ผู้เสพปานาฏิบัติก็คือผู้กระพฤตทำที่เป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งสัมโนนท่านเรียกว่าเสพหรืออาเสวนะ จเจริมแล้วก็หมายถึงทําให้ทวีกําลังอบรมอที่เราที่เรียกว่าแผ่เมตตาจเจริญเมตตานี่ยแหะครับทํากําลังของเมตตาให้สูงขึ้นแล้วเมตตามีกําลังสูงขึ้นผลของเมตตาก็สูงขึ้นจิตใจเราก็ยกระดับพ้นจากกิเลสหลับและกิเลสหลองมากยิ่งขึ้น หรือเมื่เจริญขึ้นเนี่ยมันก็คือด้วยการทําให้มากทําให้มากข้อเป็นการบอกว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเราเองต้องจเจริญด้วยการทําให้มากทําบ่อยๆเรียกว่าทําให้มากทีนี้คําว่าทําให้เป็นดังยานคําว่าทําให้เป็นดังยานเนี่ยคือท่านพูดเป็นจำนวนเปรียบเทียบว่ายาณ น, นั้นเป็นเป็นพาหะที่นําเราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งได้ ได้อย่างใจอ่ะเหมือนเรามียานเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราได้ขึ้นยานแล้วก็ไปไหนได้รวดเร็วแล้วไปได้อย่างใจถ้าเราแผ่เมตตาทำให้เป็นดังยานได้เป็นพาหานำไปสู่ผลที่เราต้องการได้อย่างใจสมมติว่าเราต้องการให้คนมาหาเนี่ยอย่างที่ผมไปสนทนากับพระพุดองมาเนี่ยท่านสามารถสั่งให้คนไปหาได้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกราสามารถที่จะสั่งให้คนโทรศัพท์ไปหาเราก็ได้ แมนะ้แต่สั่งให้มาหาเราเพื่อให้เรายืมนั้นก็ทําได้ก็พูดเหมือนโลกมาแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ทําเวื อ, อาการโลกมาแต่จะทําเวื อ, อ, อาการที่ที่สมเห็จสมผล น, นะฮะขอความกรุณาอะไรเป็นลนักษณะอย่างนั้นทำให้มาหาเนีน่ยมาเอาเงินมาให้เรายืมเป็นเช็คไหมเหราก็ได้แต่ผมก็กิดเืรือรทุกวันนี้ผมก็ทําบ่อยๆฮบ่อยๆนะฮนะตามความจําเป็นตามความเหมาะสมนะฮะก็เป็นฮะ ไดาทำได้จริงแต่ผมไม่รบกวนคุณเฮ้ยฮะก็เดี๋ยวเผยเผยเดี๋ยวคนฟังเทีอย่างวันหลังไม่ไหแล้วก็บางทีเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันต้องสมควรเกิดเหตุผลแล้วต้องเป็นเรื่องบํมบริสุทธ์มากลุ่งขึ้นเ่ย่ันทีก็หมื่นหนึ่งมาอะไรเงี้ยทันทีมาเกไปเชียงใหม่แล้วตีตัวรถไฟไปกลับอยากจะกลับคื่องบินมีคนมาหาเลย บอกไปไปไปขึ้นไปหมนกับเครื่องบินดีกว่าอยากให้อยู่ต่อก็เลยเป็นบุญคุณเขาดิก็แล้วก็ได้กลับเครื่องบินอย่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเจตนาเราเราก็รู้จะได้ไม่เหนื่อยอย่างเมื่อวานมาสอนที่ปานิพันธ์ขึลงจากเครื่องบินก็มาสู่ที่ตอนไม่เหนื่อยอันนี้ไม่ใช่เราโลภนะ่เราอยากให้เขาดีเขาไม่มาฟังเราด้วยความไมเหนื่อยนี่นะสงสารพอไปถึงวัดเนี่ยแหมคนนั้นมาเลย มาพูดกุริกรุจออย่างนี้เราก็ทาําท่าจับเจ้าจ้ำใจขึ้คื่องบินอยู่ต่ออีกวันก็เลยเลยกลับมาด <c> <ๆ>้วยความมีแรงมีเรื่องมีแรงวปวดร้อนอะอย่างนี้นะแต่ข้อสำคัญเนี่ยเด็กจะเห็นธรรมะที่พระตาดีบุตรพูดต่อไปนะแล้วยิ่งบริสุทธ์เท่าไหร่เนี่ยผลยิ่งได้อย่างใจเท่านั้นเคยให้ทีเลยออกไปห่างหางห่างเท่าไหร่แล้วเราต้องการให้เกิดผลอะไรขึ้นเนี่ยจะได้อย่างใจ และผลนั้นจะออกมาเป็นลักษณะที่เป็นประโยชน์เตื้อกลุ่นต่อเราด้วยต่อคนอื่นด้วยบางทีก็คนอื่นได้มากกว่าเราเราได้มากกว่าคนอื่นไงนะแล้วก็สบายใจกันทุกฝ่ายครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังที่หลังนะอารมณ์คิดดูแล้วอานารยมุโรกพระบอกเราว่าท่าเราไปหาร้านเนี่ยพราบอกว่าเนี่เรียกมาส่งจิตเรียกมาแล้วก็เรียกพูดอย่างข้างบ น, นส่วนตลอ็เคลียร์พื้นที่ไว้หมดแล้วคือเพราะคนไปหาทัานเยอะ พอเราไปไงนะห อ, อว่างหมดเลยมีแต่เราสามคนคนอื่นบาทีขนาดพระเออยังต้องมารอข้านนอกเป็นชั่วโมงรอให้เราคุยียนจบแล้วกนะะไม่คือทรานทางเก่งอะสามารถสั่งเราเรียกเราได้เนี่ยโดยการแผ่เมตตาเห็นหน้าแล้เรามาเจอกันหน่อยแล้วก็ก็ต้องต้องมาอันนี้เราใช้เป็นดุจยานยานโดยที่ตัวเราไม่ต้องไป ส่งเมตตาไปขี่ใช้ความปรารถนาเนี่ยนั่งไปบนยานคือเมตตาแล้วก็ไปบอกว่าเงินที่ติดไว้เอามาคื น, นที่ห <c> ร <oughs> <c oughs> ือ ว, ว่าเอออยู่ห่างๆกันเนี่ยคิดถึงให้มากๆนะอะไรมันได้ผลจริงๆอะ <c oughs> คนเก่าคนแกนี่เรียกมาได้หมดติดต่อได้หมดให้คิดถึงได้หมด สั่งให้ฝันก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยทุกอย่างแต่ว่าที่บางคนฝันผมไม่ได้สั่งนะฝันเองหรือเราก็ฝันเองมางทีก็ไม่แต่มันจะออกไปในลักษณะที่เหตุผลที่เป็นไปได้ฉะนั้นจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของผลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาได้ทุกอย่างแต่ว่าคนที่เขามีเมตตาบริสุทธิ์เนี่ยเมตตาของเขาเนี่ยเลยออกมาเป็นลักษณะที่อะไรอะไรที่มันเป็นผลที่ท่านแสวงหาเนี่ยนะมันกลับเป็น เพื่อคนอื่นเสียได้อ่ะต่างพบก็ได้ต่างพบก็ได้ได อ, อผมก็มเลยจะเล่าเรื่องแฝงให้ฟังละเรื่องเมื่อที่ผมไปเชียงใหม่แล้วก็คนที่เขาออกเขาให้พยายาให้ผมขึ้นตัวบินและไปค้างบาง้านเกขาคืนพี่น้องเขาเนี่ยโหทำมาสูงกันหมดเลยนะฮะ เป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อยู่อยู่เชียงใหม่รอนจบเคมีแล้วปฏิบัติทําเกมแล้วก็ประหลาดมีความสามารถประหลาดแล้วก็ชอบพอกันทั้งทั้งบ้านนะครับผมนี่นะอีกคนหนึ่งก็ทํางานอยู่กับในรั้วในวังเป็นที่ปรึกษาเจ้ากระต่ายนิมกันไปบวชวัดอครูบาประมาจักเนี่ยตอนท่านมีชวิตอยู่นะบวชบวชเดือนหนึ่งหรือหรือหรือปันเสารเดือนหนึ่งม่อท่านบอกเลยว่าเนี่ยท่านหาตัวแทนมาเจอยขอให้บวชทีนี้ท่านก็ ไปปรึกษาที่นานและพราบรมท่านจะต้องออกไปไปช่วยทางโลกก็เลยไม่ได้บวชจนกระทั่งท่านครูบาคมจัครูบาคงจังนี่ดีมากอย่างรู้อะไรแต่อะไรได้เหมือนกับพระจริงๆทั้งหลายนะเมตตาสูงออกปากอย่างนี้ไม่ใช่เด่นแล้วก็มีคนอื่นแนะคนนี้เขาก็ธรรมะเขาสูงเขาเรียกว่าหน้าเขานี้ยิ้มให้ทุกคนตลอดอารมณ์ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือก็เป็นบุคลิกพิเศษหน้าไม่เคยงอง ใจไม่เคยขัดแย้งะฉะนั้นใครคงกเขาก็สบายทีนี้ไอ้ไอที่ผมเล่าอย่างนี้เพื่อจะแวดล้อมให้เห็นว่าเขาเป็นคนกรุงเทพเป็นคนเกิดชาเชียงเสาเสร็จแล้วยา้ายไปอยู่เชียงใหม่เหมือนเป็นอดีตเคยเป็นคนเชียงใหม่นะก็เห็นว่าบางท่านผมไม่อยากเลยชื่อว่าก็พี่น้องเขาแหละคนใดคนหนึ่งที่เจ้าด็อกเตอร์เคยเป็นลือสีมาเก่าที่แที่เชียงใหม่ก็ว่านะอันนี้ก็คำพูดของคนระดับด็อกเตอร์เขพูดปิดตูกเลยก็ไปว่าไลย เจ็บปวดก็เขาเจอกันต่องที่เขาก็เขาก็ไปซื้อบ้า น, านเขาเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเหมือนวัดแล้วก็ไอ้น้าบ้านเขาก็มีไอาา้ตาเล็กๆตาทีนี้ประหลาดอันหนึ่งคือใครเคยเชื่อบางไหมว่า น, นาคเนี่ยมีจริงนาคที่พูดพๆกันอยู่เชื่อไหมฮะว่าตะนั้นี่ยมีนาคอยู่และนาคเนี่ยมาปรากฏให้คนเห็นตามตาได้ทั้งบ้าน พูดพูดแล้วก็คงจะอยากไปพักบ้านเ้าแหละแต่ว่าให้ผมติดต่อเขาดูก่อน <c oughs> ขณะคนที่เป็นแม่บ้านคนรับใช้ในบ้านเขาหลายคนเนี่ยก็ได้เห็นยกตัวยอย่างเช่นวันหนึ่งเมื่อครั้งมือตายเร็วเร็วเร็ ว, ร ว, รวนี้เ้ากำลังทํากับข้าวอยู่มันเขาก็ได้ยินเสียงคนรับใช้ร้องดังแบบคนเจอผีเหมือนเหมือนรถชนกันน่ะดังไปชั่วระแวกเลยแบบอกสัตว์ก็หนา เขาก็าวิ่งออกมาดูปาวรากฏว่านาคเนี่ยทําโผล่โผล่มายืนจังคล้ายๆว่าชูคอแผลบ้าเบีย้ยอยู่ตรงประตูบ้านครับไอที่ผมขึ้นไ ป, ปก็ปรจีให้ดูพูดถึงตรงนั้นทีนี้ตัวนาคเนี่ยมันก็เหมือนไอที่เราเห็นตามกล่องเม่กี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราฟังคือว่าตามตัวเนี่ยมันเลื้ยงแสงเลื้ยงแสงเหมือนนิอ่อนอล้ายๆกัแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนิ อ, อน่อนเรียจริงๆลวงแสง ตัวใหญ่อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายทําไมใหญ่ขนาดสาไฟฟ้ากลมล้วเวลาเขาเลื้อยเนี่ยเขาไม่เลื้อยแบบตวัดไปตวัดมาเขาเลื้อยแบบไอ้ในกล่องไม่ขีดเลื้อยแบบนอนอย่างเงี้ยนะเห็นกัยจนเบื่อแล้วเห็นจนเบื่อทีนี้วันนั้นเนี่ยหน้าเขาโมโหว่าไอ้คนรับใช้ในบ้านไม่ให้เวลามาน่าจะมาให้เห็นตัวใหญ่ๆเก็เลยมาซะตัวไปเลยก็เลย มาแบบไม่รู้ไม่รู้ทางนี้ที่มาปั๊บถึงประตูบ้านเลยพอล้องก็วืดงว่ายก็ประตู <c oughs> เขาก็ค่อยๆลดขนาดียันกับประตูนนะครับ <c oughs> <c oughs> ลดขนาดเล็กเท่ากับ ง, งูสามเหลี่ยมเลยนะค่อยๆเล็กไปเล็กไปจนสั่ ง, ทงเท่ากับ ง, งูดิน <c oughs> แล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาฉั น, นที่นั่นมีน้าคงจะเป็นแหล่งไม่น้าผมไปบ้านเข า, าทางไหนผมบอกเ่าเออ ม, มานั่งที่นี่ละ พลังสูงคงก็ว่าสงสัยเจ้าของบ้านปฏิบัติดีก็อาจจะเป็นที่ดีห้องพระกล้ด้นั่งน้ำมือดีมากสงบนิ่งรู้สึกจนรู้สึกได้ยัดเต็นคงจะเป็นที่ดีก็ได้นะ่ะอวันหลังจะลองท่าตามก็ดูจะรับนับท่องเที่ยวประเภทนี้นับท่องเที่ยวประเภทสอนรู้ส อ, สอเด่นแล้วก็ต้องของความร่วมมือกันหน้ากันด้วยฮฮะทำไม ว่ไหนน ะ, าา อ, อ, ะอ๋ออยู่เทียงใหม่ อ, อ, ยอยู่ในบริเวณบ้านของพวกเราพวกเราคนหนึ่งี่ยคือครอบครัวนี้รับทั้งครอบครัวคุ้นเคยกับผมมานานลูกเต้าเราหลานเ้าเนี่ยทีนี้ก็ก็อยู่เย็นเป็นสุขกันดีบ้านหลังบันเลออยู่เป็นลามคนบ่แม่ลูกแล้วก็คนรับใช้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดยังไงคือ นั้นก็คงเป็นแหล่งของเขาอยู่ในเดิมและตัวไปซื้อก็กล้าว่ า, อ, าอะไรต่ออะไรคงจะจัดนะจัดทาให้มาได้ครอบครองที่นั้นคนที่ควรที่อยู่แล้วก็เขามีเมตตาเขามีภาวนาเขามีทานาเขามีศีลไม่ใช่เฉพาะตัวเขาคนเดียวเขาพ่อแม่พี่น้องกขาเอาแต่พ่อผมไม่รู้เขตายไปนานแล้วแม่เคยเยี่ยมครั้งหนึ่งอายุเก้าสิบกว่าเพิ่งตายไป ด้วยคนสติธรมชัญญาบริบูรณ์แต่ว่าที่พี่น้องน้องกขาเนี่ยดีหมดน่าชื่นจมมากก็เลยเลยได้ได้ไปอยู่กันนะนี้ก็ไอ้พิงเราเนี่ยพวกนี้เ้าก็รู้นะใครมีเมตตาใครละแ่ให้เขาเนี่ยเขารู้สึกได้นี่ถ้าเขามาปรากฏตัวให้เห็นได้นี่เขถือแหม่บิดเข้ามาบิดมาผมก็รับปากว่าผมจะลองทาบทามาดูแต่ว่าจะต้องไป ขออนุญาตนาคกันนาคแกรังเกจไหมเพราะนาคในบางทีใครเากล้องไปถ่ายแล้วไหมอนุญาตไหบถ่ายไม่ติดในะเมืองพระส่าติดอ่ะเอาไปที่วัดอาจารย์เปลนะี่ยนเนี่ยท่านก็มีรูปนาคที่ท่านขออนุญาตถ่ายไว้ที่วัดท่านมีนาคเหมือนกันนะเพราะนาคเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานกายถิศโดยมากที่มีความคือมีความเป็นพุทธร้อยเปอร์เซ็นเหมือนจนชาติอีเบศ คล้ายๆอย่างนั้นทาเหนียวแน่นตั้งแต่สมัยวิทยการมาแล้วแล้วก็จะมีแหล่งอยู่ในบางแห่งบางที่ที่ถ้าที่ไหนมีธรรมะแล้วก็นัเขาจะชอบเพอาะธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นน้ําที่ทําให้เขาอยู่เย็นเป็นธรรมธาล่าราเขาก็มีแหล่งเ ป, เป็นเป็นพบของเขาอยู่ในนั้นแตบ่บ่อที่ก็มีใ น, นบ่อเล็กๆ แล้วอ่าแล้วบ้านก็ปลูกต้นสาล่าต้นไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาไงนะอยู่แท้ๆนั้นเราอยู่รอบรอดสะก็หมายถึงตายอย่างคนหลงหลงตายเคยเห็นมากคนหลงตายเนี่ยหมายว่าจิตใจกระสับกระสายหลงลูกหลงทรัพย์สินไม่มีสติสัมปชัญญะตายไปด้วยอาการอย่างนั้นเรียกว่า หลงทําการละกิริยาตายเราก็ย้อนมันอกนึงว่าการแผ่เมตตาเนี่ยกลับจะไปถึงสัตว์กายจิตมากกว่ากายาอันนี้ให้ใ ห, ให้ให้รับรู้ไว้เลยนะใครที่มีสมาธิอ่อนเนี่ยแผ่ถึงสัตว์กายละเอียดเขาจะรับได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เขาสัมผัสจิตง่ายกว่ามนุษย์มนุษย์เราเนี่ยมันดูไอไออารมณ์หยาบยาบเนี่ยมามารังกานมากกว่า การจะแผ่จิตไปถึงมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยคนนั้นต้องมีสมาธิจิต ด, ดีก็ธรรมดาเนาะแต่อ่าหมายว่าถ้าอย่างเช่นเราแผ่ไปหาพระดีๆเนี่ยเขาจะรู้สึกง่ายรู้สึกได้เลยหรือแผ่ไปถึงคนมีสมาธิจิต ด, ดีดีเนี่ยก็จะรับได้ง่ายรับได้ง่ายกว่าคนที่เมื่อเวลาไปหาพระเนี่ยต้องแผ่เมตตาไปร่วมนะแผ่อธิษฐานจิตไปร่วมหน้แล้วท่านก็จะรับจะรู้สึกได้และถ้าเราเป็นคนมีดีพอเนี่ยนะ ทำบุญํากุศลอะไรอะไรแฝงนะใหออ้จะขอปรึกษาขอความช่วยเหลือท่านองค์นี้อนี้แ ล, ล้กวก็แฝงไปถ้าจะไปหาเานี่ยว่าเราเลือกไปจะไปหาพระองค์นี้แฝ่ไปเลยแล้วก็ให้ท่านอาโอกาสบางทีท่านมีตุลาท่านอย่างอุษาลีกลับมาเพื่อจะเจอเรา<อ>ก็ได้พบท่านแต่ท่านก็แสดงให้รู้ว่าท่านรู้ว่าเราต้องการพบท่านต้องการจะขอความช่วยเหลือจากท่านอะไรท่านก็จะบอกจะอะไรก็ อ, ออกมาเป็นเรื่องดีอ่ะ อันนี้เรียกว่าทําให้เป็นด <Son> ุจอย่างเป็นท mm. <sucks. S 1> like ี ouais. so, ่อาศัยพึ่งพาได้ธรรมะที่เราทําให้เกิดแก่ตัวเราเนี่ยพึ่งพาได้จริงๆทั้งเราเองก็พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้ถ้าทาให้เป็นที่ตั้งเนี่ยหมายถึงเป็นที่อาศัยเหมือนบ้านเหมือนพื้นแผ่นดินที่เราเหยียดนี่เรียกว่าเป็นที่อาศัยไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยเมตตาแต่ทจริงเขาไปอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยเหมือนบ้านเป็นวิหารธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผมวิหาร แล้วก็ตั้งไว้เนื่อ ง, องก็คือว่าทําไว้คือเป็นที่ตั้งที่อยู่อย่างถาวรถ้าจะ ถ, ถาวรแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเราจเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่องมั่นคงแค่ไหนให้เป็นบุคลิกแค่ไหนถ้าเราแผลเมตตาช่วครั้งชั่วคราวก็พึ่งได้เป็นครั้งเปถ้าเราแผ่อย่างเป็นป ก, กติเนี่ยก็จะพึ่งได้อย่างตลอดเวลาเหมือนเราไปอยู่ประเทศไหนทำงานที่ไหนก็อยากจะอยู่อย่างมั่นคง คนจิตใจไม่มั่นคงอะไรๆก็ไม่มั่นคงตามไปด้วยจริงนะเพราเราเราไปรักใครไปคนอย่างไม่มั่นคงเขาก็ไม่รักเรามั่นคงถึงเขาอยากจะรักเขาก็ไม่สามารถมั่นคงได้กับเราเราไม่เอาวะนี่เราไม่มั่นคงไม่จริงใจกับใครก็อันเนี้ยถ้าเรารักคนอื่นอย่างมั่นคงวะทุกคนก็มั่นคงแล้วมั่นคงข้ามภกข้ามชาติกันนี่ผมไว่ประสบการณ์ประสบการณ์ผมมีผมไม่อาจจะเล่าไม่กล้าเล่า แต่มันไม่ือนเหมืนอนมือใหญ่ไอประเภทรักข้ามชาติหมายถึงความผูกพันอะไรต่างบางทีก็ไม่รู้บางทีก็มารู้ทีหลังไอรักเนี่ยไม่ไม่ไมารักรักใคร้ๆอย่างนี้นะคือพอลงไปถึงจุดหนึ่งมันจะเจอไอรักข้ามชาติที่นวลรักกับพระก้ามชาติเนี่ยรักคนนั้นคนนี้ก็จะเออมันก็บโบล่อมเออมันไม่ใช่ของที่ที่มีมาบางอย่างเนี่ยแล้วก็อาจจะผูกเมตตาไว้ในลักษณะทิ้งข้ามชาติมันก็มีผลข้ามชาติ คือคนที่เขาเล่นทางนี้เนี่ยเราเราเรียกคนเล่นธรรมาเลยหน่อยเล่นธรรมะหมายถึงคนที่ฝึกธรรมะเนี่ยมันมันไม่ใช่ของอาชาบช่วยนะอย่าเป็นของที่ต่อเนื่องเหมือนอย่างคนที่จะบรรลุ ท, ทรรมะเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ชาบช่วยครับเขาต้องต่อเนื่องนันตรงที่ทุกคนจะมาเป็นพระสารีบุตรเมืองขวาได้เนี่ยไม่ใช่ชาบช่วยคนชาบช่วยเป็นพระสารีบุตรเบื้องขวาไม่ได้ต้องขัามภพขั้มชาติก็เลยว่าตี อาวางไกลเลยก็จะเป็นอยังไงทีนี้ไอ้ตรงนี้พอพูดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นกํำลังใจใช่ไหมฮะแต่อีกส่วนหนึ่งก็แค่บอกแค่ข้ามทั้งร่องข้ามทั้งน้องก็แทบเื่อนใหญ่แตแล้วนี่จะข้ามโพค้งางจาดข้ามบอนข้ามพื้ น, นยัง่มันค่อยจะไหวแต่สําหรับคนมีธรรมะเนี่ยมันเหมือนพุ่งนี้นั่นแหละอะไรก็ตามนี่ะสิ่งที่เรารอสิ่งที่าที่เราหวัง เ, เราต้องรอได้ เราทนได้อ่านี่เป็นเป็นโมหานที่มีความหมาย แ, แอบแอปรืองหนอย่างนี้แล้วอบรมแล้วอบรมแล้วปลาลบดีแล้วปลาลบดีแล้วหมายถึงเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็จะต้องแผ่ด้วยการสั่งสมอบรมแล้วก็ปลาลบก็คือระลึกถึงบ่อยๆปลาลบเนี่ยหมายถึงระลึกถึงบ่อยๆใช้บ่อยๆแผ่บ่อยๆไม่ลืมให้อยู่ในหัวใจเราอยู่เสมอ เนี่ยว่าปลาลบดีแล้วก็หวังอันอีกสองเบียรประการนี้ได้ผมขออ่านเลยไปถึงประเด็นสองเลยนะประเด็นสองการแผ่เมตตาโดยเจาะจงกับโดยไม่เจาะจงที่เราเคยพูดคุยมาแล้วนี่ก็จะเป็นหลักฐา น, นะคว่าเ <c oughs> มตตาเจโต ว, วีมุติแผ่โดยไม่เจาะจงก็มีโดยเจาะจงก็มีแผ่ไปโดยคิดไปถูกที่ทั้งหลายก็มี แล้วก็เอแพ่ไม่เจาะจงเนี่ยด้วยอาการเท่าไหร่นี่ก็เป็นคําถามนําไปตามลําดับแล้วก็ค่อยๆไขความโดยลําดับดังนี้ครับเมตตาเจโตวิมุติที่แพ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการคําว่าไม่เจาะจงเนี่ยคือไม่เจาะจงอ่ว่าเป็นสัตว์พวกนั้นพวกนี้ภูมินั้นภูมนี้เพศนั้งเป็นนี้เนี่ยก็ไม่เจาะจงอย่างเราแพ่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์รักษาตนอยู่เป็นสุขเถอดไม่เจาะจงว่าสัตว์เราไหนขอเป็นสิ่งมีชีวิตกันลกันเรียกว่าสัตว์ปานะก็เป็นเพียงไวยพธของคำว่าสัตว์นั่นเองครับสัตว์นั่นแปลว่าผู้ยังข้องอยู่ในสัมสารวัตรนี้ปานะแปลว่าผู้มีลมหายใจจริงๆก็เรียกสัตว์ว่าผู้มีลมหายใจอาจจะไม่มีลมหายใจก็ เวดานไมหายใจนะลมไม่หายใจแสดงว่าสัตว์โดยมากหายใจเลยเอาอาการนี้มาเรียกว่าเป็นปานะคือผู้มีลมหายใจพูดหมายถึงสัตว์เป็นไว้พูดเรียกสัตว์ผู้มีผู้เป็นบุคคล ว่าผู้เคลื่อนผู้เคลื่อนก็นหมายถึงเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนจากภูมินั้นภูมินี้ไปสูงภูมินั้นภูมนินีนน้เคลื่อนไปในลักษณะของกันเว้นไว้แต่เกิดแล้วก็ผู้นับหนในอัตภาพก็คือผู้มีอัตภาพมีอัตภาพก็คือมีชีวิตจิตใจอย่างเราแต่ละคนจะอาตภาพหนึ่งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นแต่วัยพดห้าอย่างเท่านั้น เวลาเราแผลเนี่ยโดยมากเราประสาททั้งหลายไม่อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าฟันหน้ก็ได้จะไม่ใช้คำปูตาก็ได้หรือจะใช้ทั้งห้าคำเลยก็ได้ก็ไม่เจาะไม่ต่างกันครับทีนี้คําว่าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาเวลาจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอพยพชาจงเป็นผู้อไม่มีทุกข์จงเป็นผู้รักษาตนให้สุงอยู่เถิดอย่างที่เราเอามาเป็นบทแผลเมตตาคับเนี่ยให้สังเกตอย่างนี้ครับ ถ้าคนไม่เป็นเมตตาเนี่ยพูดเท่าไหรเท่าไ ร, าไรเมตตา ก, ปกาาา็ปลุกไม่ขึ้นใช่อ่าเวลาปลุกไม่ขึ้นอานิคาปลุกไม่ขึ้นสุขเคียร์น่านพูดเท่าไรเทอะไรก็ปลุกไม่ขึ้นที่เทปลุกธรรมะไม่ขึ้นบางทีพูดๆแล้วกลายเป็นจี๊ขึ้น่่ะอาเวลาแเราก็อดทนไม่ได้อานิคาก็อดแค้นไม่ได้เมตตาไม่ขึ้นแล้วทายังไงถึงจะขึ้นถ้าเป็น อคนฝึกแผลแล้วที่ต้องแผลได้เอาความรู้สึกออกนะอย่างที่ว่ามาแหละเอาความต้องการที่เราต้องการเป็นสื่อออกนะแต่คนที่จิตเป็นเมตตาเลยเนี่ยพูดคําเดียวมันเทือนทั้งหัวใจนะเ ม, มื่อเราแผลเมตตาให้คนอื่นให้ลูกและลูกหัวเขาเนี่ยก็ขอให้เป็นสุขอลูกหัวภรรยาก็ได้ลูกหัวเจ้าสาวก็ได้ ลูกัวจะวาว่ า, าวกสกโยเขาถ้าไม่ลู้ก็อาจจะอใช้วิธีอย่างอื่นที่มันเหมาะสมกับสถานภาพนะจะแผลแม่ตายแม่ลูกว่าแม่ไม่ม ไ, มได้อาจจะเป็คลูกมือท่านอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็ได้ไปกราบหน้าหกกราบเท้าแล้วก็ตอนกราบเนี่ยถ้าแผลเมตตาแล้วสะทา น, านนะเวลาเรากราบคนวานคนจะสะทานเลย ยิ่งเราตั้งจิตดีเนี่ยจะรู้สึกกราตแล้วก็แผลแล้วพูดสั้นๆเนี่ยครับหัวใจมันออกมาเต็มเพราะอะไรเพราะว่าใจที่ฝึกไว้อย่างดีแล้วเนี่ยแม้แต่พูดคําใดคําเดียวดายังเป็นเมตตาเลยได้ยินมาดายังเป็นเมตตาดุยังเป็นเมตตาไอ้คาพูดถึงกลายเป็นว่าพูดยังไงก็ได้พูดแค่ไหนก็ได้ก็อลองสังเกตว่า ถ้าจิตเราเป็นเมตตาแล้วเรานึกถึงหน้าใครสักคนเนี่ยว่าจงเป็นสุขเถิดนี่นจงเป็นสุขเธอเท่านี้พอเลยครับบางทีไม่ต้องพูดกป็นําพูดนึกถึงหน้าแล้วส่งใจไปก็พอเลยใจที่ส่งไปเนี่ยเมื่อถอดเป็นคําพูดแล้วมันได้อย่างนี้เป็นคํารูปยอดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําพูดที่ท่านว่านี่เป็นคํารูปยอดของความรู้สึกที่เป็นเมตตาที่ออกไป ทีนี้เราถ้าเมตตาไม่ไม่เกิดเราต้องสร้างคําพูดไปกระตุน้นปลุกเมตตาให้มันเกิดก่อนแต่พอมันเกิดแล้วพูดง่านก็ได้ฉะนั้นพระเนี่ยเราสังเกตอ่นะคนมาให้พอเนี่ยบางคนโ้ให้จนลำคานนะครับบางคนนะให้จนลำคานนะโอ้โหยาไม่จบพดียิ่งให้ความรู้สึกยิ่ลดความรู้สึกตอบรับยี่งลดแต่บางคนเนี่ยพูดคําเดียวโอ้โหชื่นใจไปนาะน จริง嘛พระบางองค์นะที่ท่านมีเมตตารแรงๆเนี่ยพูดนิดเดียวให้ความรู้สึกดีแล้วก็พูดเยอะก็ยิ่งดีแต่ท่านมักไม่พูดเดียวเพราะความรู้สึกของท่านเยาว์คำพูดอันนี้สังเกตได้ว่าเมื่อท่านไปเจอพระดีๆลองดูนะไม่งั้นไม่ตะพดของพวกคูนแค่ตีหัวเปล่าๆพวกคุณพูดคํำสองคําเนี่ยคนก็คไงไม่คุ้นใจกันไม่ทั่วเหมืองผมก็ไม่เคยไปให้ทันตีดิ อันนี้ก็เป็นในเพียงว่าให้เรารู้ว่าอ่านี่ที่มาของสัพเพตตาเอาเวลามาจากตรงนี้มาจากคําพูดคําต้นตรงนี้ครัสัพเพสตาแต่สัพเพปานาแล้วไม่พูดบางที่้าจะพูดให้จบเนี่ยนะเราก็พูดว่าสัพเพตตาอาเวลาด้วยแล้วก็สัพเพปานาอาเวลาด้วยแล้วก็สัพเพภูตาอาเวลาด้วยแล้วก็สัพเพบุคลาอาเวลาสัพเพอัตตาปริยาปานาคําว่า ผู้นับเนื่องด้วยอัตภาพเนี่ยถ้าถาไม่ไม่ไม่แปลทั้งหมดนะถ้าจะพูดเป็นบาลีให้พูดว่าสัพเทอัตตปริยาปันาแปลว่าผู้นับเนื่องด้วยอัตภาพแล้วก็พูดคำอื่นให้เต็มไปก็จะทำให้การแป่เมตตานั้นครบถ้อยคำสมบูรณ์ขึ้น ผมเอง ก, ก็ไม่เคยเอาไ ป, ไปใช้เวลานำแผ่เมตตาเจ็นจะต้องไปลองใจจกิงเวลานำกล่าวแผ่เมตตาให้ครบทั้งห้าคำนี้อนค้นคำทั้งห้าคำนี้จากค ำ, คำว่าผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนแข่งหรือไม่แขังนั้นอยู่ที่ตัวจิตว่าสมบูรณ์ด้วยเมตตาแค่ไหนนี่เรียกว่าไม่เจอะจม ที่นี้ถ้าถามว่าแผลไม่เจาะจงต่างกับแผลเจาะจงอย่างไรเดี๋ยวเราพูดกันเมื่อพูดถึงเจาะจงแล้วนะจะได้เอาไปใช้ได้ถูกครับถ้าแผลไม่เจาะจงท่านวาด้วยอาการเจ็บคือเมืตาเจตุยมุดแผลไปโดยไม่เจาะจงว่าขอหญิงทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวทผู้หญิงเนี่ยเจาะจงไหมเจาะจงเพศนี่และเจาะจงเพศ ผู้ชายทั้งปวงจอดจงเพจแยกเพจอารยาชนหมายถึงอาริยชนกราเยาผู้เป็นบารียะอานารยาชนหมายถึงอานาเริยะคือผู้ที่เป็นผู้ที่ชนนี่โ ด, โดยโดยภูมิธรรมแต่โดยภูมิธรรมเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงวินิพติกาตว์ทั้งปวงอันนี้โดยภูมิด้วยกําเนิดเทวดาในตั้งแต่กามา้าจรนเทพยินถึงพระ มนุษย์ทั้งปวงก็หมายถึงมนุษย์ทั้งทุกกำเนิดพุกวิตรงนี้ก็เ ด, เดี๋ยวค่มาว่าว่าถึงวินิปาติกาหมายถึงอบยัยวะตงทั้งหมดวินิปาติกาเนี่ยหมายถึงผู้ตกต่ำตกต่ำโดยกำเนิดโดยก่ําส่งผลไปสู่ภูมิตม่ำเดรัจฉาิเบรดอสุลกายปรลกนี่เรียกว่าวินิปาติกาทั้งสิน้น นี้เวลาเราพูดว่าเทวดาพูดว่าเรียเราต้องเข้าใจความหมายนะเราเข้าใจความหมายดีที่สุดอยู่ของข้อแรกถูกไหใครก็เข้าใจพูดที่ไหนมื่อไรได้มีใครบ้างมาเข้าใจผู้หญิงตั้งโพรงแปลว่าอะไรผู้ชายตั้งปวรงไม่คว้าอะไรเอ้ขาดไปไปประเภทหนึ่งคือกระเทยลั้งโพรนะก็กระเทยในความหมายทางธรรมเนี่ยก็คือผู้ชายผู้หญิงที่มีความบกพร่องกันนั่นเองนะเพราะว่า เพศลูกเนี่มีอยู่สองเพศคนเนี่ยมีข้อบกพร่องทางประสาทก็มีบกพร่องทางเพศก็มีนี่ก็เรียกบกพร่องทางเพศคนตามบอดยังเป็นผู้ชายไหมคนหูหนวกยังเป็นผู้หญิงไหมยัยงเป็นบกพร่องอวัยวะก็ซึ้งก็ตืออย่างคงเพศนะบกพร่องทางเพศทีนี้บกพร่องทางเพศเนี่ยมันก็คือมีลักษณะของเพศตรงข้ามเข้ามามีส่วนสา ป, ปดในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ยังเป็นเพศยืนอยู่เพศเดียวอยู่นั่นเองก็เลยอยู่สองเพแเราก็แผ่ไปตามเพศและที่เข้าใจยากหน่อยก็คือว่าอาริยะกับปุถุชนคนแะแผ่ถึงอริยบุคคลได้ต้องเข้าใจความหมายของความเป็นอริยะปุถุชนก็หมายถึงปุถุชนจะบ้านด้วยไปเที่ยงวิจิตรไม่ได้บรรลุโสดาสกิตาตานาคาราหันอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า เราเป็นใครไม่สําคัญคําว่าเป็นใครไม่สำคัญหมายว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยะเราก็แผลพระอริยะได้เมตตาถึงเล่นกับของสูงได้ความดีเนี่ยครับให้คนสูงวาก็ได้คนต่กว่าก็ได้ไดหรือเราเป็นอริยะเราอาจจะแผลให้กับคนที่ไม่เป็นอริยะก็ได้เพราะฉะนั้นพระอริยะเนี่ยท่นานก็ยิ่งแผลกับเราเราผมถามว่า <c oughs> แผลขึ้นกับแผลลงเนี่ย อันไหนแรงกว่ากันลงหมายถึงห้าอริยะแผลให้เราเราแผลอริยะใครแรงกว่าใครได้กาไรใครทุนสมมติเราไปทาลายามื่อแผลเม่ตามไฟเนีย่ยลาริยะขัดทุนนะขาดทุนเพราะว่าท่านแผลให้เราโอ้ยดือดเดียวกับแง่งเตะหัวเตะหมูเลยแต่ของเราเนี่ยแผลอย่านีหอไปลงฟามนะน่าหอบกูนนะบบไม่รู้ตื่นขแ้่เแต่ถ้าอะไรก็เฉย แต่ว่าท th really ี่ท่านรู้สึกได้เนี่ยเพราะว่าไอ้กระแสรับของท่านละเอียดเนี่ยมันก็เลยได้เตียบตัวนี้ไอ้เรารู้สึกกับท่านได้น้อยเพราะไอ้กระแสรับเราน้อยมันก็เลยทําไปทํามาลมันจะเจ้าขนมี่แหละเพราะไอ้เราเครื่องรับไม่ดีท่านเครื่องรับดีนะไอ้คนของเราไม่ดีท่านเครื่องรับดีก็เลยลอยดีไปเพราะว่าไอ้ขนาดไอ้เสียงเลนเสียงอะไรท่านยังได้ยินได้อ่ะใช่ไหมไอ้เราบางทีเสียงจะกระเจาเสียงอะไรบางอย่าง ยังอาจจะไม่ได้ยินเสียงยองไกลมาก็ไม่ได้ยินท่านได้ยินได้ทีนี้ไอ้การรับรู้ได้กับพลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วละที่ที่อนุญะได้เปรียบตรงนี้ไงคือที่จริงเราได้เปรียบอริยญาณคือเมื่อเราแข็งแม่ตายท่านเนี่ยท่านรับรู้แต่ผลที่อยากให้อะไรท่านได้มันก็รู้แต่ว่ารู้หรือท่านรู้เราก็ถู้แต่ว่ารู้เหมือนได้ยินเสียงจากจันเรไรก็ไม่ได้เป็นสาระในทางคุณประโยชน์ทางข้อมูลอะไร อะไรแต่แค่รู้แต่ถ้าหาข้อค่าหรือยากแผ่ให้เราเนี่ยถึงบางทีเราไม่รู้ยังเกิดพลังเลยคนระับนรา น, นอนอยู่เนี่ยเกิดพลังเลยคือเราแฝดว่าหลับเป็นสุขนะล ป, นะปลอดภัยนะก็ภัยจริงๆนะก็ไม่อย่างนั้นนะ่เราไปแฝดรักษาคุ้มครองทรัพย์สินของเราเราแฝดของมันรู้ไหมว่าก็ขอบคุณที่แฝ่เมตารักษากันมันไม่รู้แต่คุ้มครองได้ใช่ไหม เด็กไร้เดียงสาเด็กอยู่ในการแพร่คุ้มครองนั้นเด็กไม่รู้นี่คืออันนี้คือเป็นข้อได้เปรียบที่เราได้จากอริยะตรงนี้อริยะเนี่ยเรายังกระดิกกระดี่ใจไงรูห้ห่ดแต่พระอริยะได้ประโยชน์จากเราน้อยก็เลยพระอริยะขัดทุนเราสะพึ้นเราได้ประโยชน์ก็เรากลัหนะท่านก็รู้อะเพราะว่าท่านเป็นผู้สง่งครอบโลกสง่งคราะประชุมชน อันนี้เรียกว่าเจาะจงก็ไม่เจาะจงทีนี้มาถึงปัญหาว่าการแพร่เจาะจงก็ไม่เจาะจงเนี่ยมีลักษณะได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีจุดดีจุดด้อยต่างกันอย่างไรการแพรไม่เจาะจงเนี่ยมีจุดได้เปรียบตรงนี้คือคนแพ่ไม่เจาะจงได้ดีเนี่ยได้พลังของในตัวเองสูงได้พลังในตัวเองสูงหมายว่า ลองคิดดูนะว่าเราแผ่จิตไปยังไม่ต้องไปนึกหน้าใครแล้วเมตตายังออกรูรูรูเนี่ยนะแสดงว่าพลังเมตตาเราถูกใครแผ่ถึงขั้นนี้ได้เมตตาถูกแล้วใครจะฝึกเมตตาให้ถูกเนี่ยต้องแผ่ให้ได้ถึงขั้นนี้หลับตาด้วยไม่ต้องนึกถึงหน้าใครเมตตาเดินก้มหน้างูงูงูอย่างเมตตามองถนนก็เมตตาเกิดเห็นต้นไม้ก็เมตตาเกิดเห็นรถก็เมตตาเกิด เมตตากออกตลอดเวลายนะอย่างนี้เป็นข้อดีอเรียกว่าได้คุณสมบัติทางนี้ดวยวิธีการได้ที่ตัวเองเอาความว่าได้ที่ตัวเองสูงทีนี้เมื่อได้ที่ตัวเองสูงเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันก็เลยได้โดยปริยายไปว่ามีมิยียามีศัตรูน้อยเพราะตัวเองแพ้แบบโอ้โหนี่ฉันแพ้ตั้ง่ยังไม่รู้จักนะเนี่ยจำลอง ไอคนเขาทําไมมาเห็นหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินยื่เสียงถึงถูกัตยาสายอะไรกันอย่างนี้นมันก็กลายปเปอย่างนั้นเพราะมันก็ะอะไรไม่รู้ถูกไหมฮะว่าหลายคนที่ไม่เคยมีใครใหญ่อะไรกันเลยเวลาเราไปเจอคนที่เขามีเมตตามีดีๆเนี่ยแค่เห็นหน้าละเห็นหน้าคนถึงรู้สึกในทางทดีๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านมีประจําตัวท่านท่านออกมีจิตคิดห ย, ยายต่อสังคมต่อมนุษยชาติอยู่เป็นปกติ จริงไม่จริ ง, งถ้าจะไปสูบก็ต้องไปหาคนที่เขามีเมตตาสูงสูงก็ดีๆคือพระใน บ, บ้านเมืองเรามีเยอะแล้วก็จะรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วไม่ต้องไปรู้ว่าท่านเป็นใครนะถ้ารู้อะไรแล้วตะกี้ราคาห่วงน้าอาจจะไปสืบได้ยาต้องไม่รู้เล็นใไปถึงก็เจอที่นอนที่นี้เอาตามใจต่อก็จะมีความรู้สึกกระดุก ข, ขึ้นมา น, นี่คือข้อข้อดีทีนที้ถักแผ่เจาะจงเนี่ย มันเป็นมีข้อเด่นตรงนี้ครัเด่นในลักษณะที่ผลปรากฏเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลเฉพาะที่ได้รวดเร็วได้เป็นกิจใจลักษณะก็คือว่าถ้าเราจะมุ่งไปถึงใครเนี่ยแค่ว่าไปดึงคนนั้นมาเลยดึงหัวใจคนนั้นมาเลยดึงพฤติกรรมคนนั้นมาเลยหรือไปห้ามพฤติกรรมคนนั้นหรือจะสรงข้อคนนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลเป็นการเยพาะ นี่คือข้อใดได้เกี่ยวตัวนี้ที่ท้าทุกวันเราแพ่อยู่คนเดียวแพ่อยู่คนเดียวคนอื่นไม่เคยแพ่เลยมันก็ออกมาเป็นลักษณะว่าเจอแต่คนนั้นไอ้เรื่องนี้ก็จริงนะผมยกเป็นอย่างจริงว่าเวลาที่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติเราแพ่เมตตาพอบแพ่ถึงคนประเภทนี้คนนี้ต้องขุดขึ้นมาเป็นคนแรกทุกทีแล้วมันก็กลายเป็นมันเป็นความสนิทสนมที่ คี่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาคนนี้นะ่ะจนถึงทุกวันนี้นี่ผมก็ไม่เคยบอกเขาอยู่นะว่าที่ยที่แรกอย่างที่ผมไปอิเนเดียเขาแผ่ว่าถึงกรณีของคนคนนี้ว่าเออขอแผลให้ผู้มีอุปการะคุณทําให้เราได้มาที่นี่คนนี้มาเป็นคนแรกแลยโผล่มาเลยเป็นออผู้จัดการบริษัทมีราขาทั่วประเทศคนหนึงนะเป็นผู้หญิงเมื่อวานก็เจอเนี่ยเขาก็เลยว่าคอยมาหวยาย่วงใยเราวันนี้จะกลับแล้วมีรถกลับมาเนี่ย แล้วก็มาคอยดูแลเอาใจใส่นะเออมึงก็เราก็ไม่ได้หวังใี่ขึ้นรถกระทกแต่ว่าเราตอนเราแผลแล้วก็แผลกับคุณนั่นก็ขึ้นขึ้นมาก่อนแล้ยเย็นหน้าจะนเลี่ยหเือแบบนี้โดยที่เราไม่ได้จงใจนี่มันเป็นอัตโนมัติมึงก็เลยต้องให้เ้าก่อนเพราะว่าอะไรอะไรมันควรจะก่อนนะตามอะไรที่มันเป็นเหตุผลที่มาที่ไปตรงนี้ถ้าเราเราแขลเพื่อที่ยาอ่าเพียงแต่ว่า ขอคุณออกโหกใจเขาหรือแพลที่จะปัดเป่าในเขาเนี่ยก็จะเป็นการเฉพาะซึ่งมันก็จะเป็นผลออย่างอย่างรายนี้ก็มันก็มีปัหาผมไม่อยากจะเล่านะ อ, ะอะมันอาจจะเป็นเจ็บไปแต่ก็ก็มันมีผลมันมีผลที่จะแก้ ป, ปัญหาใดประารด้วยเพราเราก็รู้อยูนะ่ที่เราคิดว่าเออเราอย่างน้อยก็ส่งความปรารถนาดีมาให้เพื่อช่วยที่กายปัญหาเขา นี่คือจุดเด่นของการแผลเจาะจงเจาะจงคนเจาะจงกรณุทธิกิจเจาะจงความต้องการเจาะจงปัญหานี่นะเพราะคนหนึ่งก็มีปัญหามีก็มีกิจมีความต้องการมีความไม่ต้องการเขาเนี่ยเราก็เลยทําเป็นสองอย่างครับเวลาทํารีเนี่ยคือทําแบบเจาะจงกับแบบรวมๆสองอย่างทํำเจาะจงไว้แล้วก็ทํารวมๆไว้เจาะจงก็มีเจาะจงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม เวลาเราจะจมเนี่ยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะตามลําดับหมายเลข ว, ว่าเอาเบอร์สิบมาเป็นเบอร์หนึน่งอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะไปพิกแปลงทาว่าไอ้เวลาเราทําเราทำหลายๆครั้งทําเลยเหมือนเหมือนอย่าง ท, ท, ที่พ่อเขาใส่บาตรเนี่ยนะแต่บางครั้งก็ใส่ให้คนนี้ใส่เพื่ออันนี้เป็นโอกาสโอกาสไปแล้วแต่อันนี้ก็ต้องค้นหาเหตุผลนอกเองในรายละเอียด อันข้อเสียเปรียบก็คือว่าถ้าแผลเจาะจงจัดไปเนี่ยความบริสุทธิ์ของเมตตาอาจจะบกพร่องกําลังของเมตตา จ, จะบกพร่องเราถึงต้องแผลรักษาดุลวะนะแผลไม่เจาะจงแผลเจาะจงเนี่ยรักษาดุลวะเพื่อรเราแผลไม่เจาะจงเนี่ยจะได้พลังเอามาใช้ในการณิงเจาะจงที่ว่าเสียดุลหรืออาจจะมีไอ้กิเลสเข้ามาแทรกคือแผลไปแผลมาเลย แผ่ไปทีแรกเขาให้เราแสนแพ่ไปทีให้สองแสนแผ่เพิ่มยอดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็ น, ปนไม่ดีไปนะฮะอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างสมมติว่ามันอาจจะเป็นข้อบกพร่องในทางอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไอ้ที่เราไปมุ่งอะไรอะไรเป็นเรื่องผิดนะเป็นเรื่องที่เราใช้ธรรมะเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการการเป็นของเรานะถ้าเรารู้อยู่ใ จ, ใจซื่งตรงอยู่กับความต้องการเราก็ไม่จะเป็นเริ่งผิด ไห้ทาไปอย่างรู้ก็แล้วกันกว่าเราก็ทำแบ่เป็นสองส่วนนี่ยอ่าเกิดนะข้อห้ามที่บางอย่างที่ห้ามแผ่ให้กับเพศตรงข้ามมีอ๋ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกทาฌานสําหรับคนที่ยังมีกําลังของเมตตาไม่ดีไม่ชัดในวิสุทธิมารเขาบอกวเวลาจะแผ่เนี่ยแผ่ให้คนที่ไม่ชัดเมื่อเวลาฝึกแผ่ก็จะต้องแผ่จากเจาะจงไปหาไม่เจาะจงเขาเรียกว่าแผ่แบบอ่า แยแล้วไปแผ่รวมที่หลังอันนี้พูดถึงขั้นการฝึกกับขั้นการใช้มันคนละอย่างกันนะถ้าเราเราต้องการจะฝึกแบบหวังผลระดับสูงเนี่ยเราก็หลีกเลื่องคนที่เราหลักจัดแผ่แล้วมันจะกลายเป็นว่าโลค่ากเกิดที่เราหลักจัดยังว่าแพ่ให้แฟนเนี่ยคขมเมตตายยังไม่ดีมันกลายเป็นคิดถึงแฟน แผลไม่ตายถึงแผลเมื่ออย่างคนที่ไปเข้ามาถามแม่เขาเข้าแล้วก็ฟุ้งซ่านเขาเล่ารอนเขาก็เลยแผลไม่ตายแผลแต่ไม่ตายแผลที่ไรหายทุกทีเ <laughs> หายแลหละงดูสิบางบแผลยังไงบางแผลว่าขอให้เป็นสุขนะออกไปแล้วเราจะไปเที่ยวกันเองก <laughs> ปแล้วก็วนึกถึงเออเคยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ <laughs> พูดจากันหวานหวานอย่างงี้อย่างนี้เป็นเมตตาไว้เนี่ย <laughs> มันกา็ามันกลายเป็นปัญหาเลยเมตตาเสียมันต้องเอาคนนี้ไปก่อน แล้วก็คนที่เราเกลียดเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันพอเริ่มต้นเนี่ยจะติดขัดแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ตัวแล้วเนี่ยแฝดได้อยู่ตัวจะหยุดไออยู่ตัวเนี่ยถ้าคันธามแต่ได้ทันทีจะเอาแบบไหนได้ได้ทุกรูปแบบไม่ต้องลำดับทีนี้ถ้าเราเองเนี่ยเราก็จะมีไอข้ออย่างคนเกลียดเนี่ยบางคนเนี่ยนเกลียดแต่ว่าเราแฝ่เมตตาได้ทันทีอยู่ในระดับที่เราแฝด ไ, ได้แต่เกลียดบางคนเนี่ยแฝ่ทันทีไม่ได้เราก็มีไอระดับที่มันเกิน เอื้อมของเมตตากับอยู่ในดับเรื่องของเมตตาถูกไหมบางคนก็โอ้ยแค่ขับรถปาดหน้ากันนิดเดียเราจะแผ่ไม่ได้ใช่ไหมแค่พูดผิดถูกรนิดเดียวทำไมาจะแผ่ไม่ได้แต่ไอ้ทโกงเอาไปตั้งสิบล้านเนี่ยแผลไม่ออกหรือไอ้ยังบางเราโมาักาทําอะไรไม่ดีไม่ชอบอะไรกับเราหรือรับสิ่งหรือบุคคลที่เรารักเนี่ยมันก็แผลยากต้องเอาไว้ที่หลัง อันนี้แหละเพราะทั้งทั้งนั้นคนที่ถ้าเป็นกลางเฉยเฉยเนี่ยเมตตามันก็ไม่กระดิกกระเดียบไม่รู้จักกันจะแผลทาไมความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังม่นจริงให้เริ่มต้นกับคนที่มีลักษณะทางเมตตารักด้วยเมตตาเป็นส่วนผสมอยู่เยอะๆแล้วอจะดีเช่นเราแผลกับพ่อแม่นะที่เราตาเรากรบรักเริ่มใสเนี่ยคนที่มีบุญคุณ เมตตาจะออกออกใน้ง่ายหรือคนที่ไม่รู้จักเออแล้วก็เกิดมาเอาอยาหมองไหมแล้วถ้าสลับหนึ่งมาอชี้แนะชี้ทางอะไรเราเนี่ยนะเราก็แผลไม่ตายก็เอ อ, เออก้อ้เป็นสุขเป็นสุ ข, สขอะไรเงี้ยเนี่ยก็เกิดง่ายอันนี้เราก็สังเกตจังหวะบุคคลเอาอย่างนี้ตัวพิทันว่าตรงนี้นะผมสรุปว่าในทางปฏิบัติของเราจริงจเนี่ย เราเวลาเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นที่จะเล่นกับคนที่รักที่ชังที่พร้อมจะแผ้ได้อยู่ในระดับไหนระดับไหนเราก็เริ่มหมายถึงว่าคนที่รักระดับนี้เราแพ้ได้ทางระดับนี้เราแพ้ได้แล้วก็มีคนที่เราเคารพอยู่ด้วยเราก็เริ่มตรง น, นี้แล้วก็แผลไปหาคนที่รักังในัที่เราแพ้ได้ไอ้ที่เกินคนนั่งก็อย่าเสีย บางคนเนี่ยเชื่อในช่วงเวลานี้ถ้าบอกแผลเมตตาให้นายกแผลไม่ออกรถรถเดินยุดไปเดินหยุดดิ้นไปแล้วโทษนายกไม่รู้จริงๆไม่จริงก็แล้วแต่แล้วะใจว่างั้งงนก็แผลไม่ออกแผแลรัตมนตรีวนันนี้แผลไม่ออกแต่ว่าบางคนก็แผลได้เสียงของก็พูดเป็นต้นแผลได้ทุกคนนะอืมอืม เออในพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะกระติกนิดหนึ่งว่าแต่ว่าผมไม่ชวนทุกคนนะแต่ยังไม่ได้ทําคือชวนอยากจะตั้งหนึ่งกลุ่มสาแท่งที่จะตั้งตั้งกลุ่มสาทแข่งขึ้นจะเรียกให้หน้าโตกันกันแ่ะแต่หมายความว่าเรามาแผ่เมตตาควบคุมคนที่มาเป็นนักการเมืองรัฐบาลเนี่ยคนที่มาผมก็จะเลือกอเฉพาะคนที่ถึงพอควรแนละ้วไม่เลือกตรงเดชแล้วก็ทุกอย่างจะเก็บเป็นความลักแบ ไม่ไปไม่ไปพูดนะมันไปเจอไปเจอถจะดูกันว่าเออใครที่จะเข้ากลุ่ ม, มต้องมีคนรับรองสมาที่ในกลุ่มรับรองว่าใจถึงคุณธรรมถึงแล้วมาทําเป็นกิจวัทยาเพช่วยชาติบ้านเมืองนะฮะอย่าไม่ว่าะจะมีนักวันมาแผ่กันทั้งครึ่งวันสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเอารูปมาเลยเนียแผ่สกัดมาแต่ก็จะเลือกตั้งรู <c oughs> ้ว่าพรรคการเมืองไหนไหนเงี้ยนะฮะแล้วก็พอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราจะ แผ่ทั้งรวมทั้งที่บุคคลเลยว่าน้ํำขุนออกไปน้าไสเข้ามาใครแก้ได้อยู่ต่อใครแก้ไม่ได้ไปเลยครับโดนเรากดแล้วไม่ต้องให้เลือกที่มันมาตดบรับถ้าเราก็จะเชิญพลังเนี่ยมาแกว้วมาเรากดแล้วในการที่ห้าแล้วทำบุญมาช่วยกันเราจะช่วยอย่าแล้วก็เอารูปมาเลยครับรูปมาตั้งเลยหัวหน้ารัฐบาลจะเอาไปแจกแผ่เลยแผ่ให้ทุกคนติดรูปรัฐบาลรีทุกคน ใน ห, ห้องต้อมีรูดรับดนตรีรับแผลอาจจะครั้งนี้เล่นคนนี้ก่อนปัญหาจะพอหน้า <c oughs> ครั้งนี้คนนี้ก่อนแต่เราไม่แข่งนใช้คำว่าแฉ่งอะไรนั่นแหละความจริงไอแฉ่งนี้นมันทำไปเป็นบาปไม่เดียวแต่อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเขาถอยไปเขาก็มีความสุขไม่ต้องมาทําบาปไม่ต้องมาอะไรน่นะไอที่เปลี่ยนนิสัยได้กเ็เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้ก็เปลี่ยนก็แล้แต่จะทำผมคิดว่ามันน่าจะพอได้ เดี๋ยว่าจะลองแบบมาใช้ในบริษัทสใช้ในกรมก่อนในกรมในกองนะใครอยู่กรมลองดูที่ลองไปตั้งกลุ่มย่อยมุ่งเล็กใน่มู้ใหญ่ดีกว่าเพว่ามันพอจะได้แค่ไหนแต่ว่าอาระดับที่ใช้กันในบริษัทเนี่ยมันก็ใช้กันมาได้ลายลุงน้องออกด้วยวิธีนี้มาเยอะแล้วสาหรับนี่พูดถึงบางคนนี่ก็นหน้างานนะดีล่ออก ไล่ออกเปลี่ยนพฤติกรรมอลไเนี่ยมีเป็นตัวอย่างมาอฟังได้มีปัญหาอะไรนะคงคงไม่ค้างแล้วนะที่ว่าเนี่ลืมมาคิดถามผมตอบไม่ยตอบอาจารย์หยตอบแล้วก็ถามถ้ามีปัญหาระหว่างนี้ก็ถามแต่ละ <c oughs> <c oughs> แพร่จอะจงเนี่ยผมขอแนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาจะพอหน้าอยู่ในเรื่องอะไรกับใครให จงในเรื่องนั้นกับบุคคลนั้นด้วยทําเองและหาผู้ที่เขาสามารถจะช่วยจะร่วมทําได้และคนที่จะร่วมทําและจะมีผลคือคนที่อยู่ในจะร่วมจะตากับนะฮะนี่อันหนึง่งที็ต้อ ง, องทําว่าว่าในในครอบครัวเนี่ยเราทําแล้วก็หาผู้ร่วมจะตากะตากําแก้ปัญหาเรื่องลูกแก้ปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีผล ขา ย, ข า, ย, ข า, ยขายตัวแล้วก็คนที่เขาเป็นผู้ที่อาจจะมามีส่วนช่วยเราได้ถึงจะไม่ได้มาร่วมอผลประโยชน์ร่วมรับโทษกับเราแต่ว่าก็อาจจะมีะเป็นผู้ที่จะต้องมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนี่ยก็ขอให้ช่วยไม mm ่ใช่ที่เราไปขอให้พระช่วยครับ mm hmm. ถ้าท่านจะดูว่าจะช่วยได้ไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญในที่พระจะช่วยได้ก็คือเราเองต้องเป็นผู้ช่วยตัวเองเป็นหลักไว้แล้วก็พระสนับส น, นุนเทวดาสนับสนุน เวลาที่เราแผ่ให้กับเทวดามนุษย์เนี่ยคืออข้อมูลเนี่ยครัมันจะเป็นตัวกระจายรายละเอี ย, อยดแต่สมุตว่าเราแผ่ให้ให้มนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็มีมนุษย์หลายวิอย่างแบบพระพุทธศาสนานะว่านะหลายเมืองรับแลก็มีเมืองเขาเรียกอีเมืองรับ แ, รแล้วก็เมืองอะไรนะโลกรับแลโลกเขาเรียกอีภาษาเนี่ยอ่า <c oughs> บังเอิญนึกไม่ อ, ออกบางแห่งก็ได้รับแล้วไงอย่างที่ผมได้รับชวนให้ไปแต่ยังไม่ได้ไปเนี่นะก็บังเอิญเนี่ยด็เนนี้เขาก็ไปมาเขาไปที่เมืองรับแลไอเขาเรอีกอย่างอะไรมันปูปูโกบร์น่ยแลหละฮะอ่าไม่ใช่นี่อยู่ทางอีสานอ่าใช่บางบทเมืองบางบทที่นี่เขาเรียกยังไง อยู่อจังหวัดตะกณลแวตะกณ์แล้วก็ท่านก็เราเวลาที่เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่เราเหมือนบรรยากาศมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในดินแดนอีกดินแดนหนึ่งเหมือนกัเราเห็นตะวันจะตกดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มีบ้านลุงคนหนึ่งอายุจะแกะ่แล้วก็ปลูกบ้านแบบปักเสาวไวบ้บนบนหินเนื้อินมาต่อนก็ปักมันไม่ลม้มอ่ะ แล้วแกก็อยู่ยังสมสถะนี่ลุงคนนี้แกอยู่ได้ไปสองโลกไดคือเป็นทูตที่สามารถจะผ่านเข้ากรมแดนเมืองรับแล